Book 2 <22 S 3> <22 S> 2ยี่สิบสองบาบาสการสนทนาสามกัปปกัปปคุณสูบบุหรี่ไหมคะอปันดุมรันรตาอปันดุมรพันรตา ดิฉันเคยสูบค่ะอาก द ดร์กรो त ห अ ग โ द อ करत होते เทแต่ตอนนี้ดิฉันไม่สูบแล้วปนอัตตาไม่ดุมรพันกระตห์น่ะฮีปนอัตตาไม่ดุมรพนกรน่รบกวนคุณไหมคะถ้าดิฉันจะสูบบุหรี่มีซิการ ओ ต์อดีตหรอ य พลลาाาเลลा आ प พล य าลาตรัสฮุเอลกะ มีสูบบุหร ल ่หรือเล่นตาอัปลอลาชาเลลค่ะอัปลอลาทรัอยล์ค่ะไม่เลยค่ะไม่ขัดจิตส์ไม่ไม่ขัดจิตส์มันไม่ได้รบกวนดิฉันค่ะมลทรสไม่ฮูนาร์มลทชาเลลมลทรส o ม่ r ูนาร์มลทชาเลลคุณจะดื่มอะไรไหมคะ อพันคะฮรพันค่ะฮิินาร์ค่บรันดีไหมคะบรันดีบรันดีไม่ค่ะดิฉันชอบเบียร์มากกว่านा ह ी श ฉกเกออาศิลต์ร์เอกเบียร์ซาเลลน่าฮีฉกเกออาลต์รเอกบียร์าลคุณเดินทางบ่อยไหมคะ อพนคุบผิรตีวรัสตากอคูปผิรตีวรสตากะบ่อยค่ะส่วนใหญ่เป็นการเดินทางเพื่อธุรกิจโหบหุตเอกวิวะนิมิตหบุตกวิานิมิตตะแต่ตอนนี้เรามาพักร้อนอพนอัตตามเมสุทธิวราโลหตออัตาอเสุตติวลหุต ร้อนอะไรอย่างนี้ขू प च จ र รมิยาเหให้ขุป म จภรมยใช่วันนี้ร้อนจริงจริงโหอาทิตขุปัจภรมิยาเหโขุราเหเราไปที่ระเบียงกันเถอะชัाาบอลคนิตจบอลคนิ त จाวิย พรุ่งนี้จะมีงานรื่นเริงที่นี่อุดยาอิทธิเอกพาร์ติทธิเอาเคุณจะมาร่วมงานด้วยไหมคะอาอปันปัญญารากค่ะพวกเราได้รับเชิญด้วยโหอม् ह ाปाนนิมนต์รนอะหอม哈尔ันิมตรนอะเฮ